หลักการปฏิบัติตามใยยะแห่งคำพีวิสุทธิมัตตต่อไปนี้คือสรุปสาระสำคัญของวิสุทธิมัตตทั้งหมดข้อก่อระดับศีลหรือเรียกเป็นศัพท์ว่าอาทิศีลสิกขาตรงกับวิสุทธิที่หนึ่งศีลวิสุทธิศีลวิสุทธิแปลว่าความหมดจดแห่งศีลคือประพฤติดีเลี้ยงชีวิตถูกต้อง มีศีลบริสุทธิ์ตามภูมิขั้นของตนคำพีวิสุทธิมักกล่าวมุ่งเฉพาะการปฏิบัติของพระพิสุธิ์หมายเอาปาริสุทธิศีลสี 4. คือ 1. ปาติโมขสังวรศีลศีลคือความสำรวมในพระปาติโมเว้นจากข้อห้ามทำตามข้ออนุญาตรักษาวินัยประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลาย 2. อินเซียสังวรศีน ศีลคือความสัมรวมอินทรีย์ได้แก่ระวังไม่ให้อกุศลธรรมความชั่วครอบงำจิตใจในเมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้ง6 3. อาชิวะปาริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะได้แก่เลี้ยงชีวิตโดยฐานชอบธรรม 4. ปัจจยสันนิสิตศีลศีลที่เกี่ยวกับปัจจัย4ได้แก่การใช้สอยปัจจัยสี ด้วยปัญญาพิจารณาให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์ของสิ่งนั้นๆไม่บริโภคด้วยตัณหาบางทีก็เรียกว่าปัจจยะปฏิเสวนาศีล น, นอกจากศีลท่านแนะนำให้เลือกสมาทานคือถือธุดง13บางข้อที่ทรงอนุญาตและเหมาะกับตนเพื่อส่งเสริมความมักน้อยสันโดษสงัดเพียนและเลี้ยงง่ายเป็นต้นเป็นการขัดเกลากิเลส อันจะช่วยให้รักษาศีลได้บริสุทธิ์เป็นอย่างดีและช่วยให้บาเพ็ญข้อวัดทั้งหลายได้สำเร็จพร้อมเป็นการเกื้อกูลแก่ภาวนาต่อไปข้อข อ, ขอระดับสมาธิหรือเรียกเป็นศัพท์ว่าอธิจิตตสิกขาตรงกับวิสุทธิที่สองจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิแปลว่าความหมดจดแห่งจิตคือฝึกอบรมจิตหรือพัฒนาคุณภาพและสมรรถภาพของจิต จนเกิดสมาธิพอเป็นบาทหรือปัตถฐานแห่งวิปัสนาคำพีวิสุทธิมากว่าได้แก่อุปจาระสมาธิจนถึงอัปปนาสมาธิในฌานสมาบัติทั้งแปดและแสดงวิธีเจริญสมาธิจนถึงได้ผลพิเศษคือโลกิยาอภิญยาทั้งห้า